ถ้าจะเปรียบเทียบมันก็ดีมากๆถือว่าเราออกบำเพ็ญเนกขมะออกมาปฏิบัติออกมาทุดงเราเคยอยู่สุขสบายแต่ออกมาขนาดนี้ได้ก็นะำหวานดีแล้วออกมาทุดงขนาดนี้แต่สำหรับพระแล้วมันต้องกว่านี้ขึ้นไปอีกไปอยู่ตามภูผาป่าไมา้ภูเขาลำนล้ำไฟไกลจากหมู่บ้านสงบวิเศกวางเวงในเหวในถ้ำในป่า บางแห่งก็อยู่ป่าช้าอยู่ไปหมดนะเพื่อจะได้ดูจิตใจตัวเองถ้าไปอยู่แต่ที่สนุกสุขสบายใจมันอีกอย่างหนึ่งนะแต่หาว่าไปอยู่ในสถานที่กลัวไปอยู่สถานที่เปลี่ยวๆใจมันก็หวาดผวาใจมันก็กลัวเมื่อใจกลัวแล้วก็ริกรรมภาวนาอะไรมันก็อยู่เป็นชิ้นเป็นอันแตาว่าเรา อยู่ที่สบายใจมันก็คิดเออเลยเหยไปเรื่อยลอยลมไปเรื่อยแต่ไปอยู่ในสถานที่กลัวมันกลัวตายได้แคนอ่าให้กำหนดลมหายใจเข้าออกพุโทโธพุโทโธพุโทโธมันก็อยู่กับพุโทโธนะเพราะมันกลัวตายให้มันอยู่กับอะไรมันก็อยู่แหะจุดนั้นนะอ่ะเพราะมันกลัวเพราะนั้นครูบาอาจารย์ท่านจึงให้ไปสดแสวงหาในสถานที่เปลี่ยวสถานที่น่ากลัว อย่างฝ่ายช้าอย่างถ้าภูผาป่าไม้อย่างเนี้ยอยู่ในที่ไกลจากนั่นก่อมันจะได้ดูตัวเองรู้ตัวเองมสติก็จะอยู่กับตัวเองเพราะมันกลัวความกลัวนี่ช่วยได้เหมือนกันนั่นทําให้จิตใจไม่ฟุง้งซ่านบริกรรมมันอยู่กับอันไหนก็อยู่กับอันนั้น่ะแต่พิจารณาธาตุขันธ์ร่างกายขอพิจารณาเห็นได้พิจารณาถึงมรณะนุสติ มณะนุสิกิตและลึกถึงความตายบ้องดูเราในต้องตายแน่นอนอ่ะถึงจะไปอยู่ในสถานที่แห่งใดก็เถอะถึงจะห่อมล้อมอยู่ก็เถอะอยู่ในบ้านในเมืองโอทงขนาดไหนก็เถอะถึงคราวแล้วก็ต้องจากจากโลกนี้ไปแน่นอนไม่ต้องสงสัยถึงจะเป็นหมอระดับไหนก็เถอพะพอพูดธึเจ้ามีฤทธิ์มีเดชขนาดไหนก็เถอะก็ตั้งอยู่ใต้ มจุรณะคือความตายทุกคนอิริที่หนีไม่พ้นแต่สิ่งที่กลัวที่สุดมนุษย์ก็คือกลัวความตายที่เรามาอยู่ในป่าในเขาเหมือนกันเรากลัวนั่นลกลัววกนี่ที่แท้คือกลัวตายเนี่แหละเป็นใหญ่ถ้าไม่กลัวตายสียอย่างเออมึงจะไปอยู่ไหนมึงจะไม่ตายวะกลัวอะไรมากมายเลยมันจะจิตแกมนจะอาถรรพ์ขึ้นมาทันทีอาถรรพ์สู่ว่างั้นแต่แตถ้าห่างวานเราไม่คิดถึงนั้นแหละ คิดถึงงูงงูจะมากัดกัดลําเป็นไงก็ตายถ้าเสือจะมากัดเสือกัดลําเป็นไงมันก็ตายถ้าผีมาหลอกนะ่ะแต่ผีมาหลอกที่น่ากลัวาากลัวมันจะมาหักคอหวังกลัวมันจะมาหลอกให้กลัวเรียวก็ช็อกของตายสรุปแล้วก็คือความกลัวตายถึงจะอยู่ในสถานที่ไหนก็ไม่พ้นความตายแต่เมืองพ้นความตายแบบทําไหนที่เป็นเครื่องอยู่ทางจิตใจ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 ชีวิตของเราก่อนที่จะจากโลกนี้ไปเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญมากเป็นจุดที่หัวเลี้ยวหัวต่อเเวลาจะถูกพ่าตัดก็ดีเวลาใจจะขาดก็ดีเราไม่ต้องคิดไปตกกังวลกับอะไรทั้งหมดเอให้นึกบริกรรมพุทโธและลึกถึงคุณงามความดีของตนเองอและลึกถึงบุญคุณที่เราเคยปฏิบัติพ่อปฏิบัติแม่ปฏิบัติครูบาอาจารย์รักษาศีลภาวนาพยายามท่องบนสาทยาย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 ถ้าหากว่าผู้ใดทำใจอย่างนั้นได้ทำใจให้สงบรวมเป็นหนึ่งได้หนึ่งจิตใจไม่ออกไปจิตใจเป็นอัปปนาสมาธิหรือ ว, ว่าจิตใจรวมเป็นหนึ่งได้ตายในขณะนั้นนะไปสู่พรหมไม่ต้องสงสัยเพราะเกิดฌานในจิตใจต้องเกิดไปเป็นพรหมแต่ถ้าหางว่าใครใภาวนาและลึกถึงบุญกุศลของตนเองอยู่และลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ที่เราได้อุปธรรมประทัก ในรักษาศีลได้ให้ทานได้ส้างคุณงามความดีเราไดคิดในสิ่งเหล่านั้นไว้อยู่เสมอเมื่อใจของเราขาดไปเราก็ไปสู่สวรรค์เพราะว่าใจของเราเป็นกุศลแต่ถ้าหากว่าใจของเราคิดไปในความพยาบาทอาฆาตจองเวนเป็นห่วงนั้นเป็นห่วงนี้เป็นห่วงลูกหวงเต่า ห, ห, ห่วงลูกหวงล้านห่วงบ้านห่วงช่องห่วงที่ไหลที่นานเวลาตายไปแล้วกักนนั้นแ่ะไปเป็นเลนไปเป็นกบเป็นเขียดเป็นทุกแก่มาแล้วเห็นี้น แต่ถ้าว่าเราตายด้วยความโกรธอารมณ์โมโหโทโสใจขาดไปก็ไปเกิดเป็นเสือเป็นงูเป็นสัตว์ที่ดูร้ายสินถ้ามากกว่านั้นก็ไปตกนรกหมกไหมไปเลยสิเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าก่อนที่ใจจะออกจากร่างเป็นจุดที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งมันต้องฝึกขัดเอาไว้ให้ดีๆแต่ถ้าว่าไม่ฝึกขัดเอาไว้นี่จะเป็นผู้สร้างบุญสร้างกุศลมาเก่าแก่ก็เถอะอย่างที่ พูดให้ฟังเมื่อสองสาวันที่ผ่านมาพญาธรรมโศกราชท่านสร้างถาวอวัตถุลูกชายก็เป็นพระอาหารหันต์พระมหินลูกสาวก็เป็นนางสังฆมิตตาเป็นภิกษุณีเป็นพระอรหันต์ทั้งคู่แต่ขณะนั้นพญาธรรมโศกราชพอใจขาดไปก็ยังไปเกิดเป็นงูพ่อโกรธให้บริษัทบริวารว่าไม่ทําตามบัญชาของพระ อ, องค์ที่ให้สละเงินในท้องพระครังออกถวายทำบุญทำทาน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 แต่ได้ผ้ามากระเื่อนนี่แหะถูกใจที่สุดหมู่พระสงฆ์เย้ไพอพอตกกลางคืนมาท้องแ น, น่นขึนน้นแน่นขึ้นใจจะขาดก็นลลึกถึงผ้าชีบรตัวเองโอ้ผ้าชีวรของเราเนี่ยเรายังไม่ได้ใช้เลยทําไมเอเราจะตายก่อนหรนี่ยใจก็ขาดในช่วงนั้นพอดีพอขาดไปก็หวงอะไรในผ้าชีวรก็ไปเกิดเป็นเล่นเนี่ยเป็นไรอยู่ตรงนั้ น, นเกิดเป็นไล่อยู่ผ้าชีบรนนั่นพอเกิดขึ้นมาแล้วเห หวงเหล่นั่นแหละทะนายวิญญาณมันเกาะการปฏิสนธิสี่อย่างชราพุ ช, ชะเกิดในทันอันทชชะเกิดในไข่สังเสรทัชชะเกิดในเท่าในไข่ในสิ่งที่สกรปรกนะี่ยโอปะปะเกิดผลขึ้นไรตอนนั้นก็คงจะลักษณะเกิดผลขึ้นวิญญาณเข้าไปยึ ด, ยดปฏิสนธิก็เกิดขึ้นในเป็นตัวเลนในผ้ากีบอนหรือนั่นจากนั้นมาตอนเช้าคพระสงฆ์ทั้งหลายไปเห็นว่าตายแล้วไปเผาไฟ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 จะแจกบริขารไอ้ตัวนั้นมาอยู่ในนั้นมันได้ยินไหมันสัมผัสอยู่ร้องหฮมร้องให้่พระกําลังจะแจกกีบอนของตัวเองพระสงฆ์ก็กําลังประชุมกันจะแจกบริขารของพระองค์นั้นที่ตายไปพระองค์นั้นก็ร้องหฮมร้องให้เป็นลาเป็นเลนอยู่นั้น่ะพระพุทธเจ้าท่านอยู่ที่พระคันทกุฏิกุฏิของท่านท่านรู้โดยทิพย์ะโสตะหูทิพย์อย่างนั้นเนี่ยพระองค์รู้แล้ว ว่าไรต้เดิมห่วงอะไรในชีวรของตัวเองมันอยู่นั่นอ่ะแต่ถ้าว่าขืนแจกผ้าชีวอไนไปเลนไรตัวนั้นมันก็จะโกรธให้พระว่าแย่งชีวรของตัวเองพออายุเจ็ดวันตามปกติทั้งวันไรหรือเลนก็ตามถ้าไม่ได้กินอาหารมันจะอยู่ได้เพียงเจ็ดวันเมื่อตายจะเป็นเลนแล้วจะไปสู่นรกเพราะความโกรธเพราะนั้นพระพุทธเจ้าทรงพระกรุณาให้พระอนุ์ไประงับ ในการแจกผ้าชีวรพื้นนั้นก่อนแจกบริขารของพระองนั้นระงับไปก่อนถึงเจ็ดวันเจ็ดวันกอเห็นว่าลัยเล่นตัว น, นั้นตายแล้วจึงให้ประชุมสงฆ์แจกพระสงฆ์ก็แปลกใจไปถามพุทธเจ้าพุทเจ้าเล่าให้ฟังว่าพระองนั้นตายไปเป็นเลนนี่แหละสรุปแล้วก็คือใจของคนเราที่จะออกจากร่างเป็นจุดที่หล่อแหลมจําเป็นสําคัญอย่างยิ่งเพราะนั้นควรจะฝึกขัดใจเอาไว้ แต่เนิ่นๆไม่ใช่ว่าใกล้ซะก่อนจะไปฝึกมันไม่ได้เด้ต้องฝึกไว้แต่นานๆแต่เนิ่นๆตั้งเริ่มแต่เดี๋ยวนี้ละ่ะภาวนาพุทธโธพุทธโธพุทธโธกำหนดลมหายใจเข้าออกมีสติในการเดินเข้าทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหะให้มีสติถึงคราวนั้นมากจิตออกจากล่างกับไปสู่จุดความประสงค์แต่ถ้าเว้นเสียตจิตของพระริยะเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปอันนั้นก็ว่าเข้าถึงขั้นแล้ว ถึงยังไงก็ไม่ตกต่ําำนะท่านเป็นผู้มั่นเป็นผู้เที่ยงตรงแล้วการนอกจากพระโสดาบันลงมาแล้วเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเอาจจะไปตกเป็นสัตว์เดรัจฉานตกนรกปกไม่เป็นสัตว์เป็นเปรตเป็นอะไรได้ทั้งนั้นถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วเป็นผู้มั่นคงมีแต่ก้าวหน้าสูงขึ้นไปเรื่อยๆออกจากร่างนี้เขาไปสู่สวรรค์ออกจากสวรรค์ลงมาเกิดเป็นมนุษย์จะเกิดเป็นมนุษย์นั่นท่านของบารีบอกว่าเกิดเป็นมนุษย์ระดับไหน ยังคงใช้กรรมอยู่บางพระโสดาบันสามชาติสามชาติาาตเจ็ดชาตินั่นนะะนอกจากนั้นเป็นเป็นติไม่ที่ไม่แน่นอนเพราะนั้นพวกเรายังไม่ถึงขั้นที่คติแน่นอนควรจะเตรียมการเอาไว้นั่นนะทุกคนน่ะเดินตามหลังกันไปเรื่อยๆไม่มีใครได้เปรียดเสียเปียบเรื่องความตายถึงจะมั่งมีสีสุขขนาดไหนก็เถอะถึงจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านก็บอกว่า วางราชสมบัติเหมือนกันถึงจะเป็นพ่ค้ามหาเศรษฐีขนาดไหนก็เถิดก็ต้องวางกิจการทั้งหมดไปเหมือนกันชาวไร่ชาวนาก็วางคันแอกคันไถ ท, ทิ้งไว้ก่กอนไปเหมือนกันธรรมณะชีพามนักบวชก็เหมือนกันวางบริขารไว้แล้วก็ไปเหมือนกันทุกคนไม่เว้นแต่ละคนเกิดมาในโลกแล้วต้องตายโดยการทั้งหมดนนันก่อนที่จะตายนั่นอ่ะจะต้องสะแสวงหาทำมาใส่ใจของตนเอง